ฟังกันทุกเดือนเหมือนใช่หเดือนละกี่ครั้งอานนี้สงูงการฟังธรรมหนึ่งจะได้ยินในฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินในฟังสองสิ่งที่เคยได้ยินในฟังแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั่นชัดสามบรรเทาความสงสัยได้สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องได้แต่ว่าการฟงังไม่ทำความเข้าใจว่าเราฟงังเพื่อจะนำไปปพัฒิ์ปฏิบัติ ถ้าจะฟังเพื่อเอาความรู้เวยๆเอาหนังสือมาดูออมาท่องจำบออกหลักธรรมมันมีอยู่หลักธรรมแรกๆก็คืออยู่ในหนังสือพื้นฐานก็คือหนังสือนวโกวัตหมวดธรรมไม่มีหมวดธรรมไปตั้งแต่หมวดหนึ่ง ไม่ใช่หมดสองหมวดหมวดสองหมวดสามหมวดสี่หมวดห้าหมวดหกหมวดเจ็ดนี่ก็หมวดแปดหมวดเก้าหมวดสิบนี่ไม่เรียงไปจดึกหมวดที่สองก็มีทําทําคุ้มครองโลกทําคุ้มครองโลกคมำโลกในที่นี่หมายถึงมูสัตว์ โลกคือหมูสัตว์ตั้งสัตว์มนุษย์และสัตว์เดีรยราชฉัเนี่ยรวมกันเรียกว่าโลกโลกเป็นมูสัตว์ที่นี่ก็ทมคุ้มคองโลกมันจะมีอยู่สองอย่างคือฮีเลความละอายแก่ใจโอตปะความขึ้นครัวละอายแก่ใจละอาย อ, อะไรต้องทำความเข้าใจละอายต่อบาป ต่อกรรมต่อโทษต่อบาปต่อกรรมกลัวกลัวบาปกลัวกรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเจ้าให้พวกเราสังวรระวังรักษาอย่าให้บาปเกิดขึ้นที่นี้นก็สังวรล ะ, ะสังรวมสังวรระวังนี่ยพยายามบาปที่มันเกิดขึ้นแล้วให้มันหมดไปสิ้นไปจากดวงีดดวงใจของพวกเรา ให้ทำควาเข้าใจที่นี่ศีลก็เหมือนการศีลนนอย่าพอย่าไปเข้าใจว่าศีลเ น, นี่ยอยู่ในตัวหนังสือศีลอยู่ในตัวหนังสือศีลอยู่ในตู้อพระไตรปิฎกจริงๆแล้วศีลไม่อยู่กับพวกเรานะ่ที่ท่านให้รักษาศีนแท้ก็คือดวงศีลดวงใจของพวกเราอนะืม คือดวงจิตดวงใจคือดวงลูคือตัวผูู้กนี่นี่แหละคือสินเมื่อสินเมื่อพวกเรามาัรักษาให้มันให้มันเป็นปกติรักษาสินให้เป็นปกติแลยจิตใจมันจะเป็นธรรมธรรมกับสินกั น, นเดียวกันแหะจิตใจเนี่ยจะเป็นธรรมจิตใจนี่จะเป็นสินจิตใจเนี่ยเป็นธรรมที่นีพี่พระพุทธเจ้ามาสอนในพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติ ตั้งต้นเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์รวมพลังบุญกุศลบุญคือความสุขกายสบายใจกุศลคืออันคือความสว่างของเกียรตของใจคือสติคือปัญญาที่ชั้นช่มาให้กุศลนี่แหละเมื่อรวมมาสร้างอสมบุญกุศลให้มันมากเข้ามากเข้ามาเข้า ให้กุศลนี้มันเต็มเมื่อเมื่อกุกณฑลบุญกุศลมันเต็มแล้วก็มันก็จะมันจะเลยเลยไปเป็นศีลเลยไปเป็นศีลเลยไปเป็นธรรมเมื่อธรรมนี่ละ่ะที่พระพุทธเจ้าอยากให้พวกเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นรู้รู้ตรงไหนดีทำทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ในท้องฟ้าอากาศหรืออยู่ที่ไหนนะ การทมันก็อยู่ในดวงจิต ด, ดวงใจของพวกเราเนี่ยทำเพราะฉะนั้นจะว่ามาสร้างซึ่อบุญกุศลนี่คือบารมีคือกําลังสติปัญญาหัมมะแก่ก้าวเข้าไปเพื่อจะตามเข้าไปหาตนข้นตนให้เจอหัมมะลู่หัเพลนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงว่าผู้ได้เห็นตนผู้นั่นเห็นธรรมผู้ได้เห็นธรรม ผู้นั้นเห็เราถ ATA คดทาที่พวกเราจะเห็นไม่ใช่มาอยู่ข้างนอกเราอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่อยู่ในดวงจีดดวงใจของพวกเรานี่ย น, นี่คือทำขึ้นดวงกีดใจแต่เดี๋ยวนี้มันมาเป็นตนของตนเดี๋ยวนี้กีดมันย้อนออกมาพายของไฟายนอกนะมายึดเอาของไ่ายนอกนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลของไฟายนอกอยู่ตรงไหน ของภายนอกก็คือก้อนสกุลละกายของพวกเราเนี invert, ่ยนั่งอยู่รวมกันดีก้อนสกุลละกายเนยนี่เนี่ยมันนอกนอกไปจากสิ่งในนอกไปจากกิตจากใจนั่นแหละดวงกินดวงใจดวงกินดวงใจแท้ๆทำแท้ๆดวงกิตดวงใจแท้ๆนี่ของจริงแค้นมันมันมีรูปร่างมันไม่เป็นตัวเป็นตนนี่ส่วนท <c oughs> ี่เป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นล่างอันนี้นี่นี่เรียกว่ายีอกท่าอ่าทั้งสี่ ธาตทั้งสี่ขันทั้งห้ารวมกันอยู่ในก้อนสกนลลกายเนี่ยหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ที่พระพุทธเจ้ามาอบัญญัติทำคําสอนของท่านบัญญัติออกจากก้อนสกนลลกายของท่านหรือก้อนสกุลละกายของพวกเราตั้งให้ชื่อว่าอพระพระสูตรสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งพันพระสมคันธวินัยก็สองหมืนหนึ่งพันพระสมคันธ พระประมัทิตย์สี่หมื่นสองพันพระธรรมขันธ์รวมเป็นแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ก็รวมอยู่ที่ร่างกายของพวกเราเนี่ยอืแล้วก้อนสกุลร่างกายของพวกเราอันนี้ละเนี่ยตู้พระไตรปิฎกอยู่ที่นี่ย้าย่งไปข้างนอกศาสนากันเหมือนกันอืมศาสนาศาสนากรรมฐานคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเนี่ย ให้รู้จากตนหนึ่งแล้วก็ให้รู้จากบิดามารดาหนึ่งเมื่อเห็นตนและเห็นบิดามารดาเมื่อเห็นตนเห็นบิดามารดามันก็จะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็จะมารวมอยู่ที่เดียวกันถ้ามันรวมก็เป็นเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วในที่นี่ตนของตนตนของตนก็อยู่ที่นี่ บิดาเราก็อยู่ที่นี่มารดาเราก็อยู่ที่นี่พระพุทธก็อยู่ที่นี่พระธรรมก็อยู่ที่นี่พระสงฆ์ก็อยู่ที่นี่เพราะว่ามันไปรรมันเดียวกันแต่ธรรมของพระพุทธเจ้ามันละเอียดอ่อนละเอียดพิจิตพิจารเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านสร้างบา ร, รมีสามสิบทัดเต็มบริบูรณ์พระพุทธเจ้าท่าน ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะลื้อสัตว์ขนสัตว์เข้าสู่พระวรลนิพนธ์ให้หมดนันนะเนาภท่า น, น, น, น, น, น, นสร้างบารมีจะมาตัดเป็นพระพุทธเจ้ายังมาสอนพวกพวกเราที่จะพระพุทธเจ้ามาสอนอาจารสอนแล้วก็มนุษย์โลกพมรมโลกพวกท่านผมย ม, มโลกบุญลงไปทาง อาวิกีมหานรกอภยอมิโลกมนุษสโลกพมรโลกเทวโลกยมโลกท่านรู้ได้หมดและก็สอนได้ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลมีแต่จิมีแต่ดวงจิตล้วนๆท่านก็สอนได้รู้ได้เห็นได้เพราะท่านมียานความรู้แต่ของพวกเราม่ถึงขนาดนั้นนรอกมามาลู่ตนของตนหาหนทางทิ้งกายนี่ให้เพ้น จากจุดในการเกิดการเกลการเกลีบกันไต้จบแล้วของพวกเราไม่มากถึงขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะเราพวกเราไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอือเพราะเฉพาะที่ท่านปฏิบัติที่จิตใจของอพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเห็นอะไรที่นี่ท่านเห็นของจริงของจริงคืออะไรของจริงคือทุกข์แล้วพวกเรามีไหมทุกข์มี นี่พอาะฉะนั้นท่านจะให้ให้มาเห็นทุกนี่แหละประโยคแรกมันทุกหนึ่งเมื่อมาเห็นทุกมาลูทุกเห็นทุกมันจะาเจ้สาวเข้าไปหาอทุกที่เมื่อเกิดขึ้นมันมาจากที่ไหนมันก็มาจากเหตุเหตุจะเกิดทุกมันอยู่ที่ไหนที่ย้อนเข้าไปเหตุเหตุที่เกิดทุกเกิดตั้งต้นปต่แตนชาที่ปีทุกขาเนี่อืมชะลาปีทุกขาพยาติปีทุกขา มันละน้ำปีทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมันัตสุปยาสาปีทุกขาอภิเยหีสัพยโยโคทุกโขปิเยหีวิปยาโยโคทุกโขยัปพิสังนราฟติตัมปีทุกขังสังคิเตนะปัจจุประธานาคันธาทุกขานั่นอีดังโคปนาฟีคะเวลุกขาสมุดาโยอริยสัจจังมันเป็นตัวสมุทยัยเป็นเหตุนในทุกเกิดะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วแกก็เป็นเหตุให้ทุกเกิด เก็บไข้ได้ป่วยกับเป็นเหตุทุกเกิดแตกตายทำลายกันกับเป็นเหตุทุกเกิดนี่จรีว่าเป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุธนูเกิดนี่เมื่อจิตมาเห็นเหตุให้ทุกเกิดแล้วก็เห็นทุกเห็นทุกชัดเจนเต็มเต็มพี่อย่างพระพุทธเจ้าท่านเห็นพระพุทธเจ้าเห็นทุกรอยเปอร์เซนต์พันเปอร์เซนล้านเปอร์เซ็นต์ท่านเห็นเต็มพี่ เมื่อเห็นเห็นทุกเจ็มพี่ที่นึกก็เห็นสุขตรงกันข้ามเหมือนกันเท่ากันช่วงที่พระพุทธเจ้าได้ตัสรู่ใหม่ๆเนี่ยสเสวยบมุติสุเสวยวิมุติสุขอยู่นั่งอยู่เจ็ดวันนั่งเจ็ดวันแล้วก็มายืนต่ออีกเจ็ดวันมาเดินต่ออีกเจ็ดวันพุทธสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดวันพุ่ะไม่ได้สั้นอะไร นี่จะสุกล้วนเมื่อหลังจากนั้นมาผ่านาหลังจากนั้นจนท่านพู่พุทธลิขิพผ่านทุกจะไม่มีอยู่ในดวงจิต ด, ด, ดวงใจของท่านเพราะว่าทุกตัวเวทนาคือขันเวทนาขันคือทุกทั้งสุขทั้งทุกเวทนาคือความเสื่อของจิตของใจเวทนาไม่มีอยู่ในจิตในดวงจิตดวงใจของท่าน สัญญาความจําได้หมายรูกก็ไม่มีอยู่ในดวงจิตดวงใจสังขารควาปรุงควาแต่งความคิดความนึกจิตใจใจก็ไม่มีปิญญาความรับทราบตาหูจมูกลิ้นกระใจก็ไม่มีแต่พวกนี่พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันนี่เมื่อเลยกลับกลับเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องใส้ของพระพุทธเจ้าแต่จริงๆลึก อพราพุทธองค์ของพระพุทธเจ้าแท้ไม่มีอะไรป่าสจักหมดกินทั้งหมดผ่านพ้นไปแล้วนี่มันมันพ้นไปมันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไม่คายความกำหนัดจริงดีเบือบ่อหน่ายเบือเบ่อหน่ายลูกเบื่อหน่ายเวทนาเบื่อหน่ายสัญญาเบื่อหน่ายสังขรารเบือบบ่อหน่ายวิญญาณเบื่อหน่ายตาหูจมูกลิ้นกายใจเมืเ่อมนเบื่อหน่ายมันจิตใจมันก็ม่นกคายความกำหนัดจริงดี เมื่อคลายความกำหนัดจริดีเกน่ยวกับพ่นกับพ้นประจักษ์ที่เดิมนี่แหละพวกเราก็เหมือนกันทำอะไรจะทิ้งร่างกายนี่ได้ถ้าทิ้งร่างกายนี่ได้ก็จบแล้วกายไม่มีเวทนาไม่มีกายไม่มีสัญญาไม่มีกายไม่มีสังขารไม่มีกายไม่มีวิญญาณไม่มีนั่นมันก็นไม่มีทุกมีแต่สุรุ่นเพราะว่าอร่างกายก็คือร่างกายนนัจิตใจก็คือจิตใจเวทนาคือเวทนาจิตใจคือ คือจิตใจเนี่ยม่เข้ากันไม่ได้ทําไมมันจะเข้ามาได้ก็เพราะมันรู้ที่มันเข้ากันได้พวกเราเนี่ยเพราะมันไม่รู้รู้อยู่แต่มันรู้ไม่จริงที่รู้ไม่จริงท่านให้ชื่อว่าตัวอวิชชาเนี่ยตัวอวิชชามันหลอกให้พวกเราหลอกให้มาเกิดหลอกให้มาแก่หลอกมาเก็บหลอกมาตายหลอกไม่หลอกหลอกหลอกให้มาหลอกให้หัวเลาะหลอกให้ร่องให้หลอกให้ล่าเริงมันเทิง หลอกให้ดีใจหลอกให้เสียใจสารพัดอย่างมันเกิดเกิดดุลบั้งอยู่ทุกขณาจิตแต่จิตใจของเราอันเดิมแท้ๆมันอยู่ลึกๆผลมันสู้เขาไม่ได้มันเพราะนั้นท่านให้มาสร้างมาปฏิบัติมาสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาให้มันรู้ให้มันรู้ท่านว่าให้มาปฏิบัติทําจิตใจให้มาเป็นหนึ่งทำจิตใจให้ให้สงบเข้าไปให้มาเป็นหนึ่งให้จิต ให้จิตเห็นจิตท่้นว่าเมื่อกิจเห็นจิตอนุลละทัานว่ามันจะเป็นหนทางหนทางเข้าไปดับทุกข์ก็อุปสมะคือวงเข้าไปเข้าไปดับทุกข์ดับที่ไหนละ่ะมันเกิดที่ไหน ม, มันเกิดที่ดวงจิตดวงใจมันเกิดมันเกิดที่ไหนมันก็จะดับลงที่นั่นนี่ให้ใ ห, ใ, หให้ทําความเข้าใจอ ย, อย่างนี้ของใครของเราจะถามว่าพวกเราเนี่ย เป็นฆราวาสญาติโยมจะรู้ได้เห็นได้มไหมทำไม่ต้องสงสัยหรอกขอให้ตั้งใจปฏิบัติเมือ่อลงมือปฏิบัติแล้วใหญ่ mm hmm. yeah. แล้วก็อย่าไปกลัวตายถ้ากลัวตายแหละมันจะไม่รู้มันจะไม่เห็นต้องสละชีวิตฝึกขันทันตายก่อนฝึกขันทันตายก่อนยังจั้งแต่ยังไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยนั่ง นั่งดูมันนั่งเห็นมันคือมีรูปร่างกายนั่งดูนั่งดูงดเดินดูหรือจียืนดูก็ได้ก็หมดให้ทํำมันเกิดขึ้นทำํทำทาคืออะไรที่นี้ทำก็คือทุกข์แหละอย่ามองอย่ามองข้ามทุกข์ตัวทุกข์เลยเป็นของดีตัวทุกข์ตัวนี้แหละเป็นเป็นของจริงอันวิเศษเพราะฉะนั้นฉันจะให้ชื่อให้นามว่าอาริยสัจจะทําทั้งสีคือทุกข์หนึ่งสมุทัยเห็นหทุกข์เกิดหนึ่ง นิโรธคือความดับทุกข์หนึ่งมรคคือข้อปฏิบัติในซึ่งความดับทุกข์หนึ่งนั่นสามนี่แหละทุกสมุทัยนิโรธสามอย่างมันเป็นมรคมันเป็นหนทางเข้าไปดับทุกข์ให้มันทุกข์มากๆถ้าผู้ใดเห็นทุกข์เห็นโทษเหมือนกับไฟไม้สีสาอยู่ตลอดเวลาหรือเหมือนกองจักพันสีสาโคตรตัวเองอยู่ตลอดเลยพวกคนนั่นแหะจะพวกผ่านผ่านพ้นไปได้ผ่านเร็วที่สุดเลยให้ไม่รู้เตรียมทีม มันเมื่อมันรู้เต็มที่เลยมันจะมันก็จะวางเต็มที่ของมันแ่ะเหมือนกับเราไปไปเหยียบไฟไปเหยียบไฟหรือไปจับไฟเมื่อมันรอดเมื่อมันรู้ว่าเรามันมันจะป้องของมันเองบางของมันเองนี่คือเหมือนกันอันนี้มันไม่รู้กิเลสมันไม่ให้ทํำปกมันปิดอะไรมันปิดปิดไม่ให้ทําให้ทุกเกิดขึ้นก็คืออาริยบทการยืนเดินนั่งนอนนี่สีอย่างนี้ปิดอันนี้นี่กะ ถ้าเป็นมนุษย์เราก็ปัจจัยทั้งสี่มีผ้าหนึ่งผ้าหนึ่งปิดอาหารการบริโภคนี่ปิดที่อยู่อาศัยนี่ปิดยาบาบัดโรคอีนปิดแปดอย่างนี่ปิดปิดไม่ทำเกิดขึ้นทำคือไรทำคือทุกนะเมื่อมาทุกมากเลยจิตมันมะจะขยับเข้าไปว่ะมาทุกมากไม่รอดไม่ไหวมันหาที่องที่ว่างไม่ได้ ตัวทกตัวเก็บตัวปวดตอโทโทกนี่ไมนมีตนมีตัวไหมมันเป็นตนเป็นตัวไหมคือ ม, ม, ม, มันไม่มีเนี่ยฉันให้ขอบควาคิดควาวิจัยวิจารณ์อย่าไปหลบอย่าไปกลัวตายถึงกลัวแล้วกิจใจแทแทนไม่ได้ตายจิตใจไม่เคยตายจิตใจไม่เคยแตกจิตใจไม่เคยดับมีแต่มาหลงมาเกิดเมื่อมาเกิดเมื่อมาเอาบาตรกของภายนอกคือร่างกายร่างกาย แรกๆที่พวกเรามาเกิดครั้งแรกเขาปฏิสติในคันบรนดาเลยไม่มีอะไรมีแต่ดวงจีนล้วนๆนะอืยังไม่มีอะไรไปเอาสมบัติจากบิดามารดาสมบัติของบิดาก็คือธาตุดินธาตุดินอยู่ตรงไหนธาตน้ำอยู่ตรงไหนธาตุดินก็มีผมขนเล็บฟันหนังเยื่อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตะปอดเส้นน้อยเส้นใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่านี่คือธาตุดินเป็นสมบัติของบิดา เป็นมูลมรดกของมันดาออกของบิดาสมบัติของมัรดามีน้ำดีน้ำเสลน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำข้นน้ำลายน้ำมูดน้ำขีคข้อนน้ำมูดนี่เป็นสมบัติของมัรดาที่นี่ธาตุไฟก็ให้ความอุ่นให้ธานมธาสัมมคีกันเพื่อตั้งอยู่รอดชั่วขณะขณะทนั้นธาตุไฟกับไฟยังกายให้อบอุ่นไฟยังกายให้สุดลมไฟยังกายกลนกไวยไฟเผาอาหารให้ย่อยนี่คือธาตุไฟธาตุลม ลมพัดขึ้นบางบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปถึงทิษะลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเขา้เขาออกนี่รวมกันแล้วมีมีของสี่อย่างอยู่ในร่างกายเลยหรืออยในโลกหมดทั้งโลกเนี่ยมีของสี่อย่างเท่าเนาะ น, นอกจากสมมุติเรียกเสีดอกอืมที่อาคารที่เรานั่งนเนี่ยเนื้อธาตุดินรวมกันอยู่อยู่ในอาคารหลังนี่มันรวมกับพอมหมดทั้งสี่ธาตุอยู่ด้วยกัน มีทั้งดินทั้งน้าทั้งไฟทั้งลมไฟก็ให้ความอบอุ่นลมนไอซ์พัดไฟฟมาให้ทำให้ตั้งอยู่ได้สรู้แล้วก้อนสักก้นร่ ก, นกายของพวกเราเนี่ถ้าเข้าไปถึงความจริงที่จริงไปสู่ท้ายประทางแล้วมันไม่เป็นของใครดินมันเป็นของใครออเป็นของกลางของมีประจําโลกอยู่อย่างนี้ทีนี่ถ้าจะสมมติให้มีเจ้าของจริงละ่ะาตาดินเนี่ยเป็นสมบัติของบิดา ธาตุน้ำเป็นสมบัติของบรดาดาจะทมว่าของพวกเราอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่มีเล่ใส่สมบัติของบิดามันดาเพราะฉะนั้นผู้ใส่เป็นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตขนขตนจน น, นําตนขตนให้ผ่านพ้นอันตรายไปได้อันตรายคืออะไรอันตรายคืออ่าพ้นจากความเกิดความแก่ความเก็บความตายก็พ่อเอาสมบัติของบิดาบรรดานี่มาปฏิบัติมามาปฏิบัติมาใส่ให้มันเป็นประโยชน์ ที่นี่ที่พวกเราอยู่ในปฏิบันิหาทรัพยาสมบัติมีมากมีน้อยเอาเอามาเยี่ยวยารักษาร่างกายเพื่ออยู่รอดชั่วขณาขณะเท่า น, นั้นเมื่อมีมากมีน้อยเมื่อหมดลมหายใจเมื่ออะไรละหมดทิฐทันทีแล้วก็ตกเป็นของพวกที่อยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นท่านจะให้เลี้ยงชีวิตให้มันถูกคนทางไม่ให้มันเบียดเบีเบนตน และบคุคคลคนอื่นมาให้เบียดมาให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเดือดร้อนวุ่นวายเดือดเนื้อร้อนใจเลี้ยงชีวิตให้มันชอบที่นีก่การงานที่เราทําก็ให้มันชอบเลี้ยงชีวิตชอบการงานชอบเนี่ยก็ตั้งใจไว้แต่ให้มันชอบอแล้วก็อาให้มันชอบที่ท่านเลี้ยงเลี้ยงหนทางมาปฏิบัติมักทั้งเปรสมมาทิฏฐิสมมาทัง ทิติความเห็นชอบลส ม, มาสังกปะดำรีชอบเห็นชอบเห็ น, นอะไรเห็นอริยสัจสัจมณีที่กล่าวมาจากคู่นี่แหะเห็นชอบสมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสมาสังกปะดำรีชอบดำรีชอบดำรีอย่างไรดำรีจะออกจากนี้ออกจากที่ไหนดำนี้จะออกจากกามออกจากกามอยู่ที่ไหนเนี่ยกามก็อยู่กับพวกเราเนี่ยกามก็มีรูปรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่เรียก ท่านให้เลือกคือว่ากรรมดำนอจกิจกรรมสรุปแล้วก้อนสกปรกและกายของ พ, องพวกเราเนี่ยก้อนหมดทั้งก้อนนี่แหละก้อนกรรมก้อนกรรมสรัพท์สมบัติที่มีในโลกกรรมทั้งนั้นที่อยู่อาศัยกักรรมทั้งมิตรกรรมกับกรรมกรรมกับเไฟว่าเกิดตัวก่อเกิดก่อเกิดก่อเกิมีก่อเกิดก่อแก่ก่อเก็บก่อตายนี่นี่กอกรรมกรรมไปบัตรของล้วนกรรมไฟว่าไฟไฟทีไหนที่ไหนไฟไฟไฟราคา ความกำหนัดดีๆในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสเมื่อมีไฟละราคะไฟโทรสะมันกือบวกเข้ามาความกดเมื่อเมื่อความกดบวกเข้ามาสิไฟโมหะบักมือตึ๊บตื้อที่มันบวกเข้ามาไอ้ตัวเนี้สําคัญบักมือตึ๊บตื้อหาทางออกไม่ได้เนี่ยนะทุกข์หาทางออกไม่ได้นักเข้าก็เลยหาทางออกไม่ได้นี่ลืมเนื้อลืมตัวบางคนก็ฆ่าตัวตายผูกคอตายยิงตัวตาย ยิงถ้ายิงฆ่าตัวตายยิงตัวตายถ้าเป็นครั้งแรกถ้าเป็นครั้งแรกมันจิเหลือเอกอยู่ท่านได้ก็สี่ร้อยเก้าสิบเก้าชาติเกิดมาแต่ละชาติจะฆ่าตัาวตายไปตลอดหนักไหมบาปไหมนี่นั่นเพราะฉะนั้นะถ้าพระเมื่อมันทุกข์มากๆท่านให้กํารวจเข้าไปดูตรงที่มันรู้ว่ามันทุกข์ต้องรู้ว่ามัน อันนัน้จิตใจมันมัดจะระเบิดให้กำหนดเข้าไปเมื่อขับกำหนดเข้าไปดูเน่ะเอาคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปเอาภูโทเข้าไปไปว้เข้าไปไว้ที่นั่นกำหนดเข้าไปเมื่อกำหนดเข้าไปมาเมื่อมันเห็นจริงเลยถ้าไม่เห็นจริงจริงจิตมันจะวางมาเมื่อจิตมันวางทุกข์ก็ไม่มีอยู่ในจิตนอยู่ในจิตก็ไม่มีอยู่ในจิตก็ไม่มีอ ย, มมอยู่ในกายก็ไม่มีนสรุปแล้วก็ ไอ้ตัวทุกข์มันก็ไม่มีตัวมีตนเหมือนกันตัวเก็บตัวปวดไม่มีตัวมีตนมันก็เป็นนามธรรมเกิดแล้วมันก็ดับของมันนั่นถ้าสิถ้าตนของตนถ้าจิตใจเป็นผู้ทุกข์ผู้สุขที่นี่เมื่อทุกข์ดับไปจิตใจทําไมไม่ดับถ้ามันเป็นอันเดียวกันอันนี้มันไม่ใช่มันคนละอย่างมันแยกกันอยู่โดยโดยธรรมชาติแต่จิตใจของของผู้ลองมันไม่รู้มันไม่เห็นทั้งนั้นสาเหตุที่ไม่รู้ไม่เห็นมันคืออะไรทีท่านทางจิตว่า ตัวอวิชามันมันมั น, มนปกปิดมันไม่ให้รู้มันเห็นพราะดังนั้นตัวอวิชาเหมือนกับอบึงหรือว่านองน้าตัวอวิชาเหมือนเหมือนกับจอกกับแม่หรือกกันหรือหรือปกคลุมน้ำอยูนไม่ให้มองเห็นน้ําม่เนี่ยเพราะฉะนั้นจะว่าไอ้ตัวนี้มันสั่กลังมันพักด้านจิตใจฮะให้พวกเราให้มาเกิดมาเกิดมาเก็ดม า, ดมาตายอยู่ชาดานแล้วจะเกิดเกิดมาในโลกอันนี้ถ้าย้อนย้อนหลัง ไปเป็นดอดีดนี่ชาติพอที่พวกเราเกิดนี่จิตใจแต่และดวงละดวงนี่เป็นหมื่นหมืนเป็นแสนแสนเป็ น, ล, นล้านล้านแล้วเกิดขึ้นมาในโลกดีไม่ดีดีดีไม่ดีเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าองค์แรกก็ได้พระพุทธเจ้ามาตัดในโลกนี่ไม่ใช่ใ น, น้อยๆอยู่ในพระสูตรสัมพุเทนสามล้านห้าแสนแปดหมืนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองพระพุทธเจ้าแล้วเนะี่นานไม่นาน แต่วพวกเราทำไมมันมาตัวข้างอยู่อย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าออืหูมีไหมได้ยินไม่เสียงท่านประกาศอรารหังท ม, มานมาท่านบุศอภว่าพูดทางพระกบาลตังอภิวาเทมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระหลานเกิดแล้วในโลกไม่ได้ยินเหมือนกับหูแอบเข้าเขาเนี่ตาคือเหมือนกับตาไม่ไผ่หรือตาไม่มันไม่รับมันไม่รับธรรม พราะ anyway. ่มันย yeah. ังปีนเกี่ยวแม่กระสังในง่ายซาดปัจจุบันนี่นะมันกัยังไม่ยอมอยู่นี่มันยังฮมันยังวิ่งตามเขาอยู่ไม่ยอมไม่ยอมเสียสละไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าท่านให้มาปฏิบัติมาเสียสละหาคุณทางทิ้งกายท่นน่ะกายไม่มีเวทนามันจะมาจากที่ไหนกายไม่มีเวทนาไม่มีกายไม่มีสัญญาไม่มีกายไม่มีสังขารไม่มีกายไม่มีวิญญาณไม่มีมีเศรกิจล้วนมีเศทํารรล้วน ของดีที่สุดคือจิตใจอันบริสุทธิ์ปราศจากมนลที่นี่อยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในดวงจิตดวงใจของพวกเรามีมีทุกรูปทุกนามนี่มิวกเรามีสิทมีสวนทั้งนั้นอืออย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระปฏิได้ฟานไปแล้วมักพบมักไม่มีผลไม่มีมักก็คือสินนี่ลหละสินสมาธิปัญญาสามมักคุณทางเข้าไปดับทุกข์ที่นี่ที่นี่กับสินอันใดที่นี่ยสินอันใดสมาธิอันนั้น สมาธิอันใดปัญญาอันนั้นปัญญาอันใดมีมุตอันนั่นมีมุตก็คือความปรุพนพ้นไปจากที่ไหนอ่ะนั่นพนไปจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากเคียงสัมผัสพ้นไปจากรูปจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละนั่นมาใช่ไม่ไ้ไปพ้นอยู่ในช่องฝ้าอากาศนี่ที่พุกเราปรารถนาว่าพระนิพพานพระนิพพานพระนิพพานไม่ได้ใช่อยู่ในช่องฝ้าอากาศอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในดวงจิตดวงใจของพวกเรามีทุกรูปทุกนามนี่พระนิพพาน คำที่ว่าพระคำคำที่ว่าพระนิพพานสับมาจากนิพิธาความเบื่อมันเบื่อไหมถ้าถ้าพวกเรามาปฏิบัติให้มันเห็นเห็นคุณของมันเห็นโทษของมันจิตใจมันจะเบื่อไหนเมื่อเบื่อไหนใครวางกำลังนี่ดีอันละกิจมันพ้นตรงนี้แหละท่านท่าชื่อว่าพระนิพพานคือจิตใจอันบริสุทธิ์นี่เพราะฉะนั้นฉันจะให้มาปฏิบัติมาทําจิตใจให้มันเป็นหนึ่งอยาให้มันมีสอง แดีวสึครว่าพวกเรามาทำงานจะจะปฏิบัติได้ไหมบางคนก็เกี่เรียนมันก็มาอ้างว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาทํามนเวลาหายใจทำไมมันมีนั่นมันอ้างเสยนะมันทำได้อยู่เวลาไปวลาเอาเอาตาไปไปจ้องอยู่กับโทรทัศน์ดูเขาเต้นเขายอกระยาหน่อยทำไมไม่มีเวลา เวลาจะมาดูดูเรื่องกินดวงใจตัวเองทําไมมันไม่มีเวลานั่นแปลว่ามาสู้เขาไม่ได้เขาคือใครล่ะเขาก็คืออภิชาตัาหานี่แหละคือตัวกิเลตน่ะอย่าจะอย่างจะไปเข้าใจว่ากิเลสอยู่อยู่ในท้องฟ้ากานกิเลสกับจิตใจตัวเดียงที่มันลุ่มหลงนี่อะไรอี่างนจะรู้แล้วมันหลงอะไรที่นี่มันหลงตัวนี้ล่ะก่อนเมื่อมันหลงตัวมันไปเห็นตัวมันก็เลยไปยึดของภายนอกเป็นตัวเป็นต้นของภายนอกกับอธิการมังมุกี้เนี่ยแหละ คอคือคือธาตทั้งสี่นี่สรุปแล้วสุดทธาตก็เลยจิตใจก็เลยไปเป็นดินไม่รู้เนื้อรู้ตัวจิตได้จิตใจไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่ไม่หว่วงเย็นนี่เวลามาแตกแตาทำลายกันนี่อู้วเชียรายด้หัวมันจะไม่ได้มาทุกข์กี่มัดเกียบอีกหัวมันจะไม่ได้ทดลองให้อีกหัวนี่โอ้หัวมันจะนั้นมันดีใจเสียใจอีกต่อไปเพราะฉะนั้นล่ะให้ทําความเข้าใจอยู่ที่นี่ของดีที่สุดคือจิตใจของพวกเรานี่ย ให้เมตตาตนของตนให้มันมากๆอย่าไปดูถูกดูหมิ่นตนเองว่าเราหนี่บุญน้อยวาสนาหน่อยวาสนามันคือการกระทํามันมีทําให้มีมได้มันมีน้อยทําให้มันมากได้โยนให้มันเจริญเติบโตเมื่อก็เราปลูกผ ล, กลกไม้ลากไม่สมมติเาต้นข้าวแรกๆก็กกะข้าวเมล็ดเดียวไปวางทีพื้นดีนเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมัน ก, ก็นต้นเล็กๆ มันจะเริ่เติบโตขึ้นจนมันออกลวงขึ้นมานี่คือเหมือนกันแ่ะทําให้มากๆต้องได้รับผลแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยถ้าผู้ใดปฏิบัติมาทําจิตใจน่ะให้มัศงบเข้าไปถึงพบภูมิของจิตจริงๆอันนั้นแหะตรงนี้แหละมติตัดชินใจเอาเองว่าร่างกายนี่กับจิตใจนี่มันจะแยกกันทันทีไม่มีใครบอกมัจจุรุเองเห็นเดียงปัจจตังกายจะเป็นสภาวะอหนึ่งจิตใจจะเป็นสภาวะหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันแล้วนี่ น, นี่ถ้าผู้ใดเชื่อมั่นนัน อ, อย่างนี้ท่า น, นว่าแล้วก็ไม่เห็นตนเนี่ยตนหมายถึงจิต ด, ดวงจิตดวงใจไม่เห็นตนเป็นเป็นกายไม่เห็นกายเป็นตนไม่เห็นตนมีในกายไม่เห็นกายมีในตนนี่ถ้าผู้ใดเห็นสัตจลงไปเห็นเห็นสัจเจนลงไปจริงนี่ท่านเห็นว่าอาผ่านตัวส ก, กายทิฏฐินี่ เมื่อผ่านเต็บตัวกายรักษากายยถิทีเข้าไปแล้วที่หนี่งมีจิตกิสาความสงสัยลังเลก็ไม่มีสีรับพัฒนาปรมาติรักษาสินิพพ์เป็นวันเป็นหนึ่ก็ไม่มีนี่ไม่สงสัยในสินสินคืออะไรก็ไม่สงสัยอีกนั่นอืสินอยู่สินคืออะไรทรรคืออะไรก็ไม่สงสัยอีกต้นคืออะไรไม่ก็บ่นี่ถ้ามันแน่นอนได้แล้วนี่ท่านว่า ถ้ามันยังไม่ผ่านพ้นย้อนกลับมาเกิดอีกก็เพียงเจ็ดชาติเจ็ดชาติเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแล้วแต่นิสแต่ละลายๆลา ย, ลายของใครของหองถ้าเจ็ดชาติถ้าชาติละร้อยปีกับเจ็ดร้อยปีมีความมีความหวังมีความหมายไม่ไปไปอื่นแล้วก็ไม่ไปนับถือลัทธิอื่นศาสนาอื่นไม่ไป พ่อบ่อไเชื่อเสื้อมั่นแล้วอยู่ตรงนี้ออืที่พระพุทธเจ้ามาสอนอมาสอนให้พวกเราให้รู้ตัวเห็นตัวนี่เมื่อรู้ตัวเห็นตัวแล้วก็แล้วก็เห็นบิดาเห็นมารดาเมื่อเห็นบิดาเห็นมารดาก็เห็นพระพุทธเห็นพระธรรมพระสงฆ์มาอยู่อยู่ที่เดียวกันพระพุทธเจ้ามาสอนให้พวกเราให้ให้ให้ให้ให้ให้ให้ให้รู้รู้จากพ่อจากแม่เดี๋ยวดีมีลัที่ เรื่งเขาไม่มาสอนให้อ่ให้ให้ลูกกับพ่อนี่กับแม่แยกกันพอแก่มาแล้วก็ลูกสมัยใหม่ทิ้งทิ้งพ่อทิ้งแม่นั่นทำไปทิ้งพ่อทิ้งแม่ก็แปลว่ามันมันปีนเกียวมันหลบหลูคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ะมั่นมันจะสอนกันบายหน้าลูกมันมันจะมันจะพากันลงไปเกิดในเมืองนรกพวกนี้มันอจิตใจจิตใจมันเป็นเผดเป็นผีเห็นไหมว่านหนึ่งคิต ยองคําว่าเล่าให้ฟังว่าเอาแม่หรือพ่อนี่แหละอืมไปฝากโรงพยาบาลให้ให้หมอเขารักษาเมื่อรักษาโรคห้แล้วเขาเอาไปส่งเอาเอาไปเกืนให้ลูกลูกเขาลูกไม่รับเขาว่าไม่เขามีปัญญาจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะนี่แปลว่ามันลืมพ่อลืมแม่และนี่ีแปลว่ามันสร้างสร้างกรรมเมื่อตัวเองแก่ลูกกระต จะปล่อยแตัวเองทิ้งไปต่อเนี่ยรร ม, มันจะต่อกันไปเพราะนีกรร่กรรมของบิดามันเนี่ยหนักนะให้ใพวกเราให้สังควาก็จะให้สั่งระวังความจริงหละกให้จนเลี้ยงตายตายตา ย, ตายแทนบิดามารดาเสียสละแทนเลยนี่ตั้งแต่บิดามารดาเลี้ยงเรามาเขาเสียสละตั้งแต่พวกตั้งแต่พวกเราเยา น, นิคันเขาเสียสละ แม่ก็สั่งอาหารการบริโภคอาหารบางเสียงบางอย่างเขางดเขาเว้นนะเขารักษาขัวลัวโูคจะในท้องจะมีอันเปลี่ยนไปเพะฉะนั้นคุณของบิดามารดาเนี่ยที่มากที่สุดทั้งหมดนี่เพราะฉะนั้นผู้ใดเป็นล่วงเกินจะมาเป็นบาปหนักบาปหนักกรรมหนักท่านจะจัดเป็นอนันต์ตะลิยกรรมอนันต์ตะลิยกรรมห้าหนึ่งค่าบิดาหนึ่งค่ามารดาหนึ่งค่าพระอรหันต์หนึ่งทำไร่พระพุทธเจ้ายัง พระโลหติตให้ห่อขึ้นไปหนึ่งแล้วก็สังกเพศยังสงให้แตกกันหนึ่งนี่กกรรมกรรมห้าอย่างนี่ไมมันเป็นอะนันตรียกรรมกรรมหนักถ้าผู้ไรไปล่วงเกินลงไปเลยเหมือนกับคนคอขาดไม่กับคนตายแล้วตายจากอะไรล่ะตายจากคุณงามความดีจะมาสร้างเอามรรคผลไม่ได้นี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อลู่เนื่องลูตัวสังวรระวัง รักษาแล้วก็สั่งสอนแนะนําสั่งสอนอลูกๆและหลานโฟเราแนะนําให้เขารู้จกักศิลจักธรรมให้รู้จักศาสนาอย่าให้มันมีตั้งแต่ว่าอสันชาตย์เสื้อสาตสไทยสันชาตสไทยนับถือศาสนาพูดมิจ ต, ตัวหนังสือไม่ทราบว่าพุทธศาสนามันอยู่ตรงไหนนั่นมันไม่รู้เรื่องรู้เราเพราะฉะนั้นให้สอนกันอนันนี้นาสอนกันเมื่อแล้วนั่นละเมื่อเข้าใจแล้วผ้ากันประพติปฏิบัติของใครของเรา ธัรมะท่านจะว่าชุกผ้าศีลธรรมะอยากอยากพ้นทุกอยากพ้นทุกให้บางสุขในโลกพังหน่อยยากคนทุกให้บางสุขในโลกอยากพ้นโศกให้วางสุขในรักสุขทุกหนี้ของมีประจําโลกมนุษย์เศร้าโศกก็พ่อสุขทุกทั้งสองเมื่อละสุขละทุกได้เหมือนใจปองไม่สมองคุณมัวชั่วนิรันนั่นเห็นไหมไม่มีอะไร มิตรสู่ล้วน ๆ, ๆอยู่ที่จิตที่ใจน่ยนหละอย่ามองข้ามตั เ, เองนะรเบดเยวังก็มีด้วยปากการสษณนี